ตอนที่หนึ่งร้อยหเอ็ดเรื่องนี้มีที่มาที่ไปหากเป็นเมื่อก่อนหลีหวันคงไม่แม้แต่จะเก็บคำพูดนี้มาใส่ใจแต่หลังจากผ่านเรื่องของพ่อมาได้นางรู้สึกว่าตนเองจำเป็นต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาให้ดีสิ่งที่ศาสตราจารย์เจียงพูดนั้นมีเหตุผลหากในอนาคตนางต้องพบกับคนแทไรอื่นพวกเขาย่อมต้องมีความคิดแบบเดียวกันอย่างแน่นอนความยวไวคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของนางในตอนนี้ ตกลง ข, ขอบคุณศาสตราจารย์ที่ช่วยคิดเผื่อฉันไวร้รอให้ร่างกายของพ่อฟื้นตัวดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะตอนนี้พ่อของเจ้าไม่เป็นอะไรแล้วจะไม่ต้องวิ่งวุ่นมาโรงพยาบาลทั้งวันทั้งคืนหรอกดูสิช่วงนี้จะาสู้ผอมลงไปตั้งเยอะศา ส, สตราจารย์เจียงเอ๋อพลางเหลือบมองเวลาที่ใกล้จะได้เวลาอาหารข้าพอดีจึงหยุดจังหวะไปครู่หนึ่งไปกินข้าวด้วยกันเถอะอาหารที่โรงอาหารโรงพยาบาลทํารสชาติจืดชืดแต่ก็ถือว่าไม่เลว หลี่หวานเพิ่งจะเริ่มกินข้าวได้ลงในช่วงสองวันนี้เองก่อนหน้านี้กินอะไรไม่ลงเลยเพราะในใจมัวแต่ห่วงกังวลเรื่องของพ่อศา ส, สตราจารย์จึงรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างเท่าที่ข้ารู้พ่อคนนี้ไม่ใช่พ่อแท้ๆของเจ้าต่อให้พ่อแท้ๆคนนั้นจะสารเลวแค่ไหนเจ้าก็ไม่เห็นต้องประจบประแจงพ่อเลี้ยงขนาดนี้เลยนี่นาเขารู้จักนิสัยของหลี่หวานดีนางไม่ใช่คนประเภทที่ชอบประจบสอบพลอใครยิ่งไปกว่านั้นนางยังมีพรสวรรค์ตามหลักเหตุผลแล้วไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนี้ พ่อดีกับฉันมากค่ะน้ำเสียงของหลีหวานนราบเรียบมีเพียงฉันที่คอยเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างดีแม่ที่อยู่บ้านถึงจะวางใจได้ที่ฉันทําแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เพื่อแม่ค่ะหากผู้เช่นนี้ศาสตราจารย์เจียงก็พอจะเข้าใจได้อืมถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ยิ่งต้องกินข้าวให้เยอะหน่อยจะได้มีเรี่ยวแรงเหลือเฟือไว้ดูแลพ่อของเจ้าปกติฉันก็แค่คอยเฝ้าอยู่ที่นี่เพื่อดูว่าร่างกายของพ่อฟื้นตัวเป็นอย่างไรบ้างส่วนเรื่องการดูแลทั่วไปก็มีคนดูแลคอยจัด ก, การอยู่แล้วค่ะ หลิวันพูดจบผางตาก็เหลือไปเห็นเวนโม่ที่เพิ่งเดินเข้ามาในโรงอาหารหากไม่มีอะไรผิดพลาดเขาคงจะมาห า, าศาสตราจารย์เจียงาศาสตราจารย์คะลิวันเอ่ยเตือนาศาสตราจารย์เจียงทำหน้าสงสัยพลางส่งเสียงหืมและมองตามสายตาของนางไปทางนี้เวนโม่นำเอกสารข้อมูลเคสคนที่ที่าศาสตราจารย์เจียงต้องใช้มาให้เขาไม่คิดว่ า, าศาสตราจารย์จะนั่งกินข้าวอยู่กับเสียวหวานและคนอื่นๆศาสตราจารย์ครับท่านลองดูว่าใช่ชุดนี้ไหม ใช่ศา ส, สตราจารย์เจียงพยักหน้าเล็กน้อยพลางวิ่งปากให้เขานั่งพักรีบมาเวลานี้คงยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมมากินด้วยกันสิครับได้ครับเหวินโมไม่เกรงใจเขารีบเดินไปสั่งหมูตุ๋นน้าแดงกับมันฝรั่งเส้นมากินคู่กับข้าวสวยทว่าวตอนที่เขาถือถาดอาหารเดินกลับมาหลีหวานก็ลุกขึ้นเดินออกไปพอดีเสียวหวานต้องคอยเฝ้าพ่อของนางตลอดเวลานี่นางก็คงกลับไปเฝ้าต่อแล้วไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอ ศาสตราจารย์เจียงเห็นความเงียบเหงาบนใบหน้าของเวนโม่จึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากอธิบายข้าจะบอกให้นะอย่างไรเจ้าก็เป็นชายชาตรีที่ยืนหยัดได้อย่างสงาา่าผ่าเผยจะทําตัวอ้อนแอนเหมือนเด็กสาวอ่อนแอไปทําไมคนที่ไม่รู้จะนึกว่าหลีหวันทอดทิ้งเจ้าเสียอีกในไม่ชอบนางก็ต้องลุกจีบอย่างเปิดเผยถ้าไม่ชอบก็เป็นเพื่อนกันมันยากนักหรือยอย่างไรวันๆเอาแต่เหม่อลอยไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรเลยศาสตราจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นครับเราสองคนไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบที่ท่านพูดเหวนโมรีบอธิบายตามสัญชา ต, ตา ไม่ใช่หรือนางอาจจะไม่คิดกับเจ้าแบบนั้นแต่เจ้าละคิดอย่างไรกับนางศาสตราจารย์เจียงสักไซต่อเหวิร์นโม่งเงียบศาสตราจารย์เจียงแค่นเสียงหึ่ข้าอายุขนาดนี้แล้วหากมองไม่ออกแม้แต่ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของเจ้าก็คงเสียชาติเกิดที่อยู่มาจนป่านนี้เหวินโม้ใช้ตะเกียบเขี่ยข้าวในชามอย่างผิดหวังเซวันอาจจะไม่มีวันยกโทษให้ผมอีกแล้วสุดท้ายเราสองคนอาจจะไม่ได้เป็นแม้แต่เพื่อนกันด้วยซ้าผมไม่เข้าใจจริงๆว่าในใจนางคิดอะไรอยู่ เจ้าไม่ใช่พยาธในท้องนางเสียหน่อยเจ้าจะไปรู้ได้อย่างไรว่านางคิดอะไรเหวินโมเฮอข้าพบว่าเจ้านี่มันหัวแข็งเกินไปโดยเฉพาะเรื่องความรักนี่สมองไม่เอาไหนเลยจริงๆศาสตราจารย์เจียงสายหน้าอย่างอ่อนใจโอกาสดีๆแบบนี้เจ้ายังไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะให้ข้าพูดอย่างไรดีเจ้าหนุ่มข้าขอเตือนเจ้าคำหนึ่งความรักน่าต้องขวีคว้ามาด้วยตัวเองอย่างเจ้าเนี่ชาตินี้ก็ไม่มีวันได้มาหรอก อีกอย่างถ้าเจ้าอยากจะมีความรักสิ่งแรกที่ต้องทําคือการให้เกียรติไม่อย่างนั้นอย่าว่าแต่เสียวหวันเลยสหายหญิงที่เหมาะสมคนอื่นก็คงไม่มีใครชายตาแลเจ้าหรอกเหยวนโม่ครุ่นคิดถึงคำพูดของาศาสตราจารย์จริงอย่างเงียบๆให้เกียรติหรือเขาไม่ได้ให้เกียรติเสียวหวันอย่างนั้นหรือหยวนเซ้าเฮิงได้รับข่าวและรีบเดินทางมาหลังจากที่เจิงอวิ๋นฉงย้ายไปยังหวอดผู้ป่วยทั่วไปแล้วโดยที่ไม่มีใครแจ้งเขาเจิงอวิ๋นฉงมีความสําคัญต่อเขามากหากตอนเด็กๆไม่ได้ท่านอสองคอยดูแลเขาคงไม่มีชีวิตรอดมาจนนนถึงตอนีน้ เืหยวนเศร้าเฮิงห็นสีหน้าเหนื่อยล้าของหลี่หวานในใจของเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกคืนนี้เธอไปพักผ่อนให้เต็มที่เถอะเดี๋ยวผมจะอยู่เฝ้าท่านอสองที่นี่เองคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของหยวนเศร้าเหิง น, นั้นหนักแน่นจนหลี่หว่านไม่อาจปฏิเสธได้เรื่องใหญ่ขนาดนี้เธอควรจะบอกผมเป็นคนแรกนะลืมไปเลยค่ะช่วงนี้หลี่หวานยุ่งจนลืมไปจริงๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนนางมักจะนอนไม่หลับ พระทางเดินในโรงพยาบาลมีคนเดินทุกพลาดและเสียงดังเกินไปเรื่องใหญ่ขนาดนี้ลืมได้ด้วยหรือหรือว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะบอกผมตั้งแต่แรกเห็นผมเป็นคนนอกจริงๆหรือนำเสียงของยวนเศร้าเหิงแฝงไปได้วยความจนใจเขาเอื้อมมือไปลูบผมที่ยุ่งเหยิงของหลีหวานเบาๆเธอควรกลับไปพักผ่อนให้ดีได้แล้วอาจเป็นพระการกระทําระหว่างคนทั้งสองดูสนิทสนมเกินไปหลีหวานจึงรู้สึกไม่ค่อยชินนางหลบสายตาไปมา อึมตกลงค่ะทายอย่างนั้นคืนนี้คงต้องลำบากคุณช่วยดูแลที่นี่พรุ่งนี้ฉันจะรีบมาแต่เช้าสองสามวันนี้ผมจะอยู่ดูแลที่โรงพยาบาลเองเธอไม่ต้องมาหอกหยวนเซ้าเหงิงพูดต่อท่านอาสองต้องการคนปรนนิบัติผมจัดการเองได้อีกอย่างท่านเป็นผู้ชายบางเรื่องเธออาจจะไม่สะดวกหลีหวานตอบรับอย่างงงๆค่ะ า, ายอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับเลยเดี๋ยวนี้เลยน้ำเสียงของหยวนเซ้าเหิงเด็ดขาดมากหลี่หวาน นางถูกหยวนเซาเหิร์บังคับให้กลับไปพักผ่อนจนได้หยวนเซาเหิงกลับเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยเจิ้งอวิน๋นฉงเพิ่งจะกินโจกเสร็จโดยมีคนดูแลคอยปฏิบัติเขาเงยหน้ามองหลานชายคนโตเสียววันกลับไปแล้วหรือครับหยวนเซาเหิงพยักหน้าท่านอสองปกติท่านออกปฏิบัติภารกิจตั้งหลายครั้งไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลยครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับที่สําคัญที่สุดคือยังบาดเจ็บหนักขนาดนี้เกิดจะเอาชีวิตไม่รอดเสียแล้วเรื่องในครั้งนี้มันยาวนะเจ้าไม่ต้อองงยุ่รรกจจกาาจจะัดเอง เมื่อเจ้งางวินชงพูดเช่นนี้หยวนเศร้าเหิงก็คาดดา ว, ว่าท่านอาองหน้าจะมีความคิดบางอย่างอยู่ในใจหรือว่าอาการบาดเจ็บของท่านอาสองในครั้งนี้จะเป็นฝีมือของใครบางคนจริงๆเมื่อคิดได้ดังนั้นในใจของหยวนวเศร้าเฮิงก็พันเคร่งเครียดขึ้นมาท่านอาสองตอนนี้ผมพอจะช่วยงานท่านได้บ้างแล้วหากท่านต้องการอะไรต้องบอกผมนะครับอย่าเห็นผมเป็นคนนอกเลยหยวนเศร้าเหิงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเจ้าเป็นเด็กที่ข้าเห็นมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยข้าจะเห็นเจ้าเป็นคนนอกได้อย่างไร ถ้ารู้ว่าการที่เจ้ากลับไปตระกูลหยวนย่อมต้องมีความคิดของตัวเองและข้าก็ไม่เคยตำหนิเจ้าเลยสักครั้งเจิ้งหวิงชงแส้งยิ้มอย่างผ่อนคลายเอาเถอะนิสัยเจ้าก็เป็นพวกขี้กังวลมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะ